บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้อธิบายถึงวิราคาสัญญามันโดยลำดับซึ่งจะเห็นได้ว่าคำว่าวิราคะนั้นเป็นชื่อหนึ่งในหลายหลายชื่อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเรียกหมายเอา ลักษณะของนิพพานละถือว่าเป็นธรรมะชั้นสูงสุดดังประวุทธํรรมดัมดา่ิจัดด้วยว่าเปราคธรรมประเสริฐสุดก้าธรรม ท, ทั้งหลายแต่ในชั้นของการศึกษานั้นไม่ควรจะไปติดใจในถ้อยคำว่าจะต้องใช้อย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้ถ้ะบางครั้งจะทรงใช้คำในลักษณะที่ต่อตอกันไป อย่างที่ได้อธิบายมาแล้วโดยลำดับนั้นก็วิธีหนึ่งแต่โดยนัยะอื่นเช่นแสดงว่านิบิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่วิราคะขึ้นไปนั้นแม้ถ้อยคาจะแตกต่างกันเช่น ว, ว่าวิมุตติแปลว่าจิตที่หลุดพ้นจากกำนาของกิเลส วิสุทธิ์คือจิตที่บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติแล้วก็แบ่งเป็นชั้นๆชั้นศีนลวิสุทธิ์คือความหมดจดระดับศีลก็ถือว่าดีในระดับนั้นจิตวิสุทธิ์ความหมดจดในชั้นจิตและทิฏฐิวิสุทธิ์ความหมดจดในด้านทิฏฐิก็แบ่งเป็นความวิสุทธิ์ถึงเจ็ดชั้นด้วยกัน ที่เราเรียกว่าวิสุทธิเจต์ 7, ดังที่เคยอธิบายมาแล้วสันติเป็นเรื่องของความสงบซึ่งมีอยู่อย่างถาวรภายในจิตใจความสงบนั้นเกิดขึ้นอยู่ภายในประการหนึ่งและแม้มีอารมณ์จากข้างนอกมากระแทกอย่างไรก็ตามจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์หลังนั้น บางครั้งท่านอาจจะใช้คําอื่นที่เรียกว่าตาทีโนคือคงที่แต่แก่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพระตามป ก, ปกติวิสัยของสามั ญ, ญชนโดยทั่วไปแล้วจะวันไหวไปตามอารมณ์ที่ผ่านมาแต่ว่าท่านที่เข้าถึงสันติคือความสงบท่านจะไม่วันไหวไปตามอารมณ์หลนั้น แม้จะมีการกระแทกกระทันอย่างแรงก็าตามเช่นตัวอย่างที่เราพบเห็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยอยู่เป็นอันมา ก, กนั้นเป็นการแสดงถึงปางที่พระพุทธเจ้าทรงประจุมานและชนะมารหรือพิชิตมารการต่อสู้ประจุกับมารนั้นมาอยู่หลายลักษณะด้วยกันแต่ว่าพระไตรกลมลมก็ไม่หวั่นไป ในสุดก็เอาชนะมาได้บางอย่างก็มาในรูปของทุกเวทนาบางอย่างก็มาในรูปของการคงขู่คุกคามบางอย่างก็มาในรูปของความจะปวดรวด้าวจนเกือบจะตายแต่ว่าแต่และอย่างนั้นตามปกติแล้วเมื่อเกิดขึ้นแก่สามัญชนทั่วไปจะมีความหวั่นไหว ท่านคนเรานั่งนานก็รู้สึกว่าปวดเมื่อยไม่สบายก็ต้องหาทางเปลี่ยนดิยาพุทธหรือว่ามีการข่มขู่คามหรือ ย, าวยว้ายวนด้วอ ย, ยวนด้วยวิธีการต่างๆจากข้างนอกเพราะจะอดไหวไปตามอารมณ์นั้นแต่ท่านที่เข้าถึงจุดนั้นได้จะไม่เป็นอย่างนั้นเพรา ะ, ะสภาพจิตที่แท้จริงของท่านที่เข้าถึงนิพพานจึงไม่เป็นอย่างที่ชาวโลกเขาเป็น อะไรที่ยังมีอยู่เป็นอยู่ในโลกนั้นสิ่งนั้นก็ต้องไม่มีอยู่ในนิพพานเพราะนิพพานจึงต้องใช้โวหารในการอธิบายมากเนื่องจากไม่สามารถที่จะสื่อกันได้เพราะท่านที่รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเองเท่า น, นั้นจึงจะสามารถอธิบายได้แต่ว่าจะอธิบายคนอื่นเข้าใจก็อธิบายไม่ได้ก็เพียงแต่อาศัยรูปแบบสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหลาย เข้าเป็นสื่อเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความคิดได้เกิดความเข้าใจถึงสภาวะของธรรมะเหล่านั้นดังความความหมายของคำว่านิพพานในตอนสุดท้ายที่อธิบายมาโดยลำดับนั้นเราจะเห็นว่าบางครั้งก็ใช้สลับกันไประหว่างนิพพานกับวิมุต เพแต่ละอย่างนั้นเป็นอาการต่อเนื่องนิพพานแปลว่าดับก็ได้แปลว่าเย็นก็ได้แปลว่างก็ได้ แ, แล้วแต่จะพูดถึงช่วงไหนคล้ายๆเราพูดถึงบุญถ้ า, า จ, จะช่วงพูดถึงช่วงเหตุของบุญพูดถึงช่วงอาการของบุญหรือพูดถึงช่วงผลบุญถ้าพูดถึงเหตุของบุญก็หมายถึงเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลแล้วก็เริ่มเป็นบุญในจุดนั้น เพราหน้าที่ของแกก็คือขจัดกิเลสที่จงกันข้ามกับแกให้เบาะจือจางบาบางลงไปจะมากหรือน้อยก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งอาการของบุญก็คือเกิดปกติกายปกติวาจาขึ้นมาภายในใจคือใจมันก็จางไปจากกิเลสเหล่านั้นเมื่อกิเลสมันจางลงไปก็คุมมากายอาการทางกายทางวาจาทางใจของตนเอาไว้ในเชิงที่เป็นผลก็คือความสุข ความสุขที่สัมผัสได้หลังจากนั้นได้ความสุขที่เกิดขึ้นจากการเหนียวนึกถึงอารมณ์ที่เป็นบุญขอ้อนี้ท่านสาธารชนทั้งหลายสามารถสังเกตได้ด้วยตั ว, ตวเองว่าการเหนียวนึกถึงสิ่งที่เป็นอดีตนั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่จิตใจของเราได้ตามลักษณะของอารมณ์ที่เราเหนียวนึกถ้าเป็นเหนียวนึกถึงเรื่องที่ก่อให้เกิดความขุดโม่เศร้าหมอง ท่านเรียกว่าวิปปติสานใจคือคิดแล้วไม่สบายใจรุ่มใจวิตกกังวลเสียใจแต่ถ้าคิดถึงเรื่องที่ดีๆที่เรากระทำเอาไว้มันก็รู้สึกชื่นชมยินดีเพราะอารมณ์ของกรรมาฐานในพวกอนุสติที่พระเจ้าทรงสอนพวกศีลาอนุสติก็ดีจากขานุสติก็ดีก็คือการเหนียวนึกถึงเรื่องอดีตแต่ที่ดีๆ เป็นการบริจาคทานของตนในอดีตหรือการรักษาศีของตนในอดีตแล้วก็นํามาเหนี่วนึกก็กลายเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพราะงั้นเมื่อเราเหนี่ยวนึกแล้วบุญกุศลมันก็เกิดขึ้นคือความสุขใจก็เกิดขึ้นในขณะนั้นๆครนขนี้จะเห็นได้ว่าบางครั้งพูดถึงเรื่องความสุขนั้นพูดถึงอาการที่ถาวร บางทีเราพูดอาการที่ถาวรของบุคคลเช่นบอกคนนี้มีบุญเราเพบเห็นความเจริญข้าวหน้าความสุขความสบายของบุคคลผู้นี้อย่างต่อเนื่องเราก็เรียกรวมรวมว่าคนนี้เป็นผู้มีบุญแสดงว่าผลบุญนั้นได้บรรดาให้เกิดผลแก่บุคคลผู้นั้นอย่างต่อเนื่องลักษณะของนิพพานมันก็เป็นเช่นเดียวกันแต่เราอธิบายถึงส่วนเหตุก็คือการดับกิเลส ท, ที่เกิดขึ้น พูดถึงส่วนของสภาวะของนิพพานคือว่างจากตัวตนว่างจากตนและว่างจากตัวตนซึ่งหมายความว่าว่างจากตันหาว่างจากปาณะว่างจากทิฏฐิหรือว่างจากกิเลสนั่นเองผลที่เกิดขึ้นจากนิพพานก็คือสงบเย็นเราจะพูดสงบหรือพูดจะเย็นก็ไม่แปลกอะไรเพราะเป็นอาการในเดียวกันในทางพระพุทธศาสนานั้นได้ ทรงแสดงเรื่องเหล่านี้ไว้โดยอเนกกระปริยาคือนิย่าต่างๆแล้วก็มีปริมาณที่แตกต่างกันออกไปเริ่มต้นมาจากการสามารถดับกิเลสได้ในอารมณ์ขณะนั้นๆจะมีอารมณ์มกระทบทางประสาทสัมผัสมีลักษณะมีเข้าส่อเข้า ว, ว่าจะเกิดกิเลสจะเกิดความกำหนัดเกิดความกัดเคืองเกิดความรู้ลงเกิดความมวมเมาขึ้นเราก็ดับเสียไหนขณะนั้นๆ ในการดับนั้นอาจจะดับด้วยความอดทนโดยการห้ามใจโดยการให้อภัยหรือด้วยมีฐานธรรมะคือเมตตาเป็นหลักคุ้มครองเอาไว้ก็ได้แต่การดับอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นกุปธรธมคือกําเริบได้เปลี่ยนแปลงได้ซึ่งข้อ น, นี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะสังเกตได้โดยใจตัวเองว่าอารมณ์ในระดับเดียวกันนั่นเองบางครั้งก่อให้เกิดความกําหนัดเกิด ค, ความขัดเคืองขึ้นมาได้ แต่บางครั้งก็ไม่เกิดความรู้สึกอย่างนั้นทั้งๆที่เป็นอารมณ์ระดับเดียวกันสแสดงให้เห็นคุณภาพของของจิตที่รับอารมณ์ในขณะนั้นๆบางครั้งจิตใจของบุคคลอ่อนไหวจึงทําให้มีความเปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายแต่บางครั้งจิตใจมีความมั่นคงอารมณ์ในในระดับนั้นไม่สามารถที่จะทำจิตใจของบุคคลให้เปลี่ยนแปลงไปได้ การได้บัตรในชั้นนี้ถือว่าเราสัมผัสได้ในชีวิตประจําวันเป็นการดับกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆแล้วก็ว่างจากกิเลสในขณะนั้นๆมีความสุขความสงบเกิดขึ้นในขณะนั้นๆจะนานขนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งการดับประการที่สองนั้นเป็นระดับที่สองจะมีความเข้มข้นสูงขึ้น อาศัยแนวของการประพฤติปฏิบัติตามหลักของสมถกรรมฐานคือการทำใจสงบโดยใช้อารมณ์ข้อใดข้อหนึ่งก็ตามเมื่อเกิดสมาธิขึ้นสักระดับหนึ่งภายในใจกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของใจก็จะสงบไปตามกำลังของสมาธิที่บังเกิดขึ้นในชั้นนี้ท่านเรียกว่าเป็นตทาทังครรมหาน คือถ้าพูดถึงส่วนเหตุท่านที่ท่านเรียกว่าตาทางกับปะหานคือละอวิคัมปะนาปะหานคือละด้วยการกดทับไว้พูดถึงอาการของจิตจะเรียกว่าตทางกับวิบูตคือจิตมันหลุดพลจิตมันหลุดพนจากอานาจของกิเลสโดยด้วยกําลังของฌานพูดถึงอาการ ที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องภายในใจระดับหนึ่งคือจะนานก็นานกว่าปร ะ, ประเภทแรกระดับแรกแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถาวรคือเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันตั้งก็เรียกว่าวิคขมพนะนิพานหมายความมาเป็นความสงบเป็นความเย็นซึ่งอาศัยการสยบหรือสงบกิเลสไว้ นี่ก็เป็นผลจากการปฏิบัติสมถกรรมฐานนั่นเองคือสมถกรรมฐานเวลาเราปฏิบัติตัวสมาธิที่บังเกิดขึ้นจะทำหน้าที่สงบกามฉัน์อารมณ์ทั้งสองมาการนี้จะเกิดร่วมกันในขณะเดียวกันไม่ได้ในขณะใดที่ใจมีสมาธิอยู่ในขณ ะ, น, ขณะนั้นกามฉัน์ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะนบใดที่จิตยังมีสมาธิราบนั้นกามฉันก็ต้องสงบไปส่วนปีติที่บังเกิดขึ้นนั้นก็จะทำหน้าที่สงบความพยาบาทลักษณะของปีติกับพยาบาทนั้นแตกต่างกันพยาบาทร้อนปีติเย็นเพราะฉะนั้นเมื่อเย็นเกิดร้อนก็ต้องดับเป็นไปาตามกฎคล้ายๆกฎกธรรมชาติอย่างที่เราเห็นกัน วันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันนั้นจะร้อนด้วยเย็นด้วยไม่ได้ถ้าเย็นก็ไม่ร้อนถ้าร้อนก็ต้องไม่เย็นเพราะฉะเมื่อปีติเกิดพวกพยาบาทก็ต้องหนับไปใจจะสึกนึกถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลหรือแม้ตัวอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งชายเจริญในขณะนั้นๆก็จะสามารถสงบพวกที่นมิทะคือความงุ่งเหงาหา้าวนอนลงไปได้ วิจารซึ่งเป็นองค์ธรรมอีกข้อหนึ่งที่เกิดสืบเนื่องมาจา ก, กจิตที่เป็นสมาธิเมืเ่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่สงบผู้วิจิกิชาคือความเครื่อนแรงสงสัยและพอสุขบังเกิดขึ้นทางกายทางใจอาการพุ่งส่น้รนรังคาต่างๆก็สงบการสงบในลักษณะนี้จึงต้องใช้กระทำที่สืบต่อกันไป ในขั้นตอนของการปฏิบัติเราจะพบว่าพวกฤาษีชีพไพรในสมัยก่อนพุทธกาลหรือแม้แต่ในสมัยสมัยปัจจุบันนั้นทั้งก็ประพฤติปฏิบัติกันได้ในสายนี้แต่ว่าจะต้องข้าสมาธิอยู่เสมอและเพื่อจะให้สามารถสงบมีกิเลสตรง น, นั้นอยู่ได้นานๆท่านต้องหลีกเร้นจากอารมณ์ทั้งหลายคือไม่อยู่ใกล้าอารมณ์ที่ ชวนให้เกิดกำหนัดขัดเคืองรุ่งหลง ม, มมเมาดังนั้นท่านจึงต้องอยู่ป่าอยู่ถ้าอยู่เขาไม่พบเพศมนษุษย์มนาครับอาการพิสูจน์ทดสอบประจัยท่านจะเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั้นบางทีก็ไม่ได้พิสูจน์ทดสอบอะไรดังนั้นจึงปรากฏในเรื่องราวต่างๆเป็นอันมากที่ฤาษีพอเจอก็อารมณ์ที่ชวนกำหนัดขัดเคืองส่วนใหญ่ก็จะสองประเภทนี้ที่พระเจ้าทรงใช้คําว่าอพิชาและโทมนัส ก็คือโลคโลภะกัโทษะนั่นเองส่วนมากตาบะจะแตกแต่การปรฏิบติปฏิบัติก็ตกตามบางทีก็สื่อค้าลาเพศหายไปเลยการปฏิบัติในชั้นนี้จึงถือว่าเป็นฐานเสริมความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่จิตใจถือเป็นติฏฐธรรมสุขวิหารคือช่วยอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแต่ต้องเข้าสมาธิ ถ้าขืนออกจากสมาธิไปเจออารมณ์ทั้งก็ไปเหมือนเดิมและอาจจะอ่อนไหวมากกว่าเพราะจริงๆแล้วกิเลสนั้นได้กดทับไว้ก็คล้ายๆกับเราไปกดใครเอาไว้ซึ่งเป็นคาดศึกจัตร์ของเราไปค้ำคอเขาไว้เนี่ยเขาก็ต่อต้านเขาก็มีเรี่ยวมีแรงเขาเหมือนกันแล้วเพลอเพอถ้าเรากดเขาไม่อยู่แล้วเขาก็อาลาวาดเราอาจจะจับเขาได้ยาก แต่ว่าเป็นขั้นตอนที่จะต้องเดินไปถึงจุดหนึ่งท่านจึงเรียกว่าเป็นวิขมพนะคือกดทับไว้หรือข่มไว้หรือสยบไว้หมายความว่ากิเลสนั้นยังมีอยู่แต่เราก็สยบไว้การสยบกิเลสเราก็สยบได้ในชีวิตประจำวันของเราแต่นั้นถือว่าเป็นระดับอีกระดับแรกที่ว่ามาแล้วในตอนต้นสาธารชนทั้งหลายได้ลองสังเกตดูว่า ในชีวิตประจําวันของเราในแต่ละวันนั้นมีกิเลสเปน็นอันมากแก่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตก็ทําได้แค่คิดไม่ถึงรู้อานาจแก่อารมณ์ที่บางเกิดขึ้นมาในชั้นศีล ท, ทั่วๆไปทัานก็ไม่ถือว่าผิดศีลในชั้นศีลที่ประณีตบางอย่างก็ผิดศีลแต่ว่าธรรมะนั้นผิดแน่เพราะจิตใจมันขุดมัวเศร้ามองไป แต่พอถึงชั้นนี้ถ้าท่านอยางเข้าฌานอยู่ท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เราก็เข้าฌานไม่ได้ตลอดเหมือนกันเรามีภารกิจการงานที่จะต้องจัดจะต้องทําการทํางานในแนวนี้ลดขมใจได้ดานนานนั้นมันก็ต้องเสร็จภา ร, ระกังวลที่จะต้องจัดจะต้องทําภายในครอบครัวหรือภายในที่อยู่ที่อาศัยของตนถ้ามาอย่างนั้นแล้ว โอกาสที่จะให้เกิดสงบอย่างที่ว่านั้นก็ทำได้ยากระดับที่สามถือว่าเป็นระดับเป้าหมายจริงๆท่านเป็นเรียกว่า ส, สมุดเฉดตัพหานคือละโดยการตัดขาดนั่นเป็นตัวเหตุอาการผลก็คือสมุดเฉดทวิมุตคือจิตมันหลุดพ้นอย่างตัดขาดไปเลย การตัดขาดนั้นที่จริงแล้วเพิ่งสังเกตว่าในชั้นศีลเราก็มีที่เรียกว่าสมุดเฉดทวีมุติสมุดเฉดทวีรัตคือการงดเว้นด้วยการตัดขาดไปในทางปฏิบัติที่สมบูรณ์จริงๆหมายถึงการงดเว้นของพระโสดาบันขึ้นไปเพราะพระโสดาบันนั้นศีลหาของท่านจะสมบูรณ์ไม่สำเร็จด้วยการสมาทานแต่สำเร็จด้วยมรร ในความเมื่อโสดาปฏิมากเกิดเป็นโสดาปฏิผลแล้วศีลห้า น, นั้นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่จะต้องมีการสํารวมระวังเพราะการเคลื่อนไหวของท่านเป็นศีลไปเรียบร้อยเรียกว่าเป็นผู้มีศีลรักษาหรือไม่ใช่ต่อรักษาศีลมีศีลเป็นผู้คุ้มครองไม่ใช่ต้องเกิดสํารวมระวังแล้วก็ให้ศีลมาคุ้มครองตัวเองในชั้นนี้ถือว่าตัดขาดจริง แต่ในขณะเดียวกันระดับที่ลดหลั่นลงมาสามัญชนทั่วไปสามารถปฏิบัติในระดับที่ตัดขาดได้ซึ่งอาจจะตัดขาดอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเช่นยกตัวอย่างว่าตัดขาดการดื่มสุราคืองดเว้นจากการดื่มสุราด้วยตัวเองงดเว้นจากการดื่มการชักชวนบุคคลอื่นให้ดื่มสุราหรือรับแขกด้วยสุราเป็นต้น อันนี้ถือว่าเป็นการงดเว้นอย่างหยาบๆเป็นอาการทางกายกับทางวิ จ, จาคือเป็นศีลแต่ไม่ใช่ศีลระดับประณีตงดเว้นเดินไปจะถึงจุดที่ไม่ยกจ้องสรเสริญนักดื่มและไม่ยินดีในการดื่มเหล่านั้นแม้จะมีสุราดีวิเศษยังไงสำนวนบาลีท่านใช้คําว่าแม้จิตตุปปาทแม้ความขณะจิตเดียว คือการเกิดขึ้นของจิตขนาดเดียวที่เกิดแมหน้ า, นาลองดูรสชาติมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ดูสุดูขวดมันสวย ด, ดีเหลือเกินนี่แสดงว่าถ้าเกิดจิตตัวบาตรอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยหมายความว่ายังไม่ถึงใจคือใจยังไม่มั่นคงถ้ามีใครเร่งเข้ามาจากข้างนอกเนี่ยอาจจะดื่มก็ได้แต่ถ้าใจตัวเองมั่นคงขนาดนั้น และแม้จะใครถูกโยกคลอนถูกชักชวนถูกอาจจะคมคู่ก็ได้แต่เราก็ไม่ดื่มแสดงว่าจิตใจมั่นคงมันก็ตัดขาดได้ในระดับนั้นสำหรับพระอาราหารันพระยาบุคคลอื่นท่านไม่ได้อธิบายไว้พ ร, ราหันั้นท่านบอกว่าแม้ใครจะกรอกล้าเข้าปาก ลาเนี่จะไม่ไหลเข้าไปในปากพระอาหารหันต์พระอาจารย์บอกว่าเหมือนกับ น, นกกระเรียนเนี่ยใครจับล้าใส่ปากไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปทดสอบกันเองคือแสดงเห็นว่าเป็นธรรมาที่คุ้มกันสิ่งซึ่งเป็นพิษ เ, เป็นภัยไม่เข้าไปสู่ร่างกายของท่านนั่นก็เป็นจุดสูงสุด พัการปฏิบัติในแนวตัดขาดส่วนหนึ่งก็จะทำได้โดยการสำรวมระวังโดยการพยายามที่จะงดเว้นอะไรที่มันแรงๆให้ลดลดลงไปบ้างคือไม่ถึงกับทำอะไรไปตามอำนาจของสิ่งต่างๆมากเกินไปอย่างน้อยที่สุดก็งดเว้นระดับกายกับระดับวาจา ใจอาจจะแกว่งไปบ้างสับสนไปบ้างแต่อย่างน้อยที่สุดก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนเียแต่ ก, ก, แตการตัดขาดที่สมบูรณ์นั้นจะต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติตามหลักของใจสิกขาองค์ธรรมคืออริยสัจนั้นเนื่องจากเป็นตัวเนื้อหาหลักของธรรมะในทางพระพุทธศาสนาพูดไปพูดมาเราจะเจออริยสัจทุกครั้งไป ปริยสัต์นั้นจะครอบคลุมองค์ธรรมทั้งหมดเอาไว้แต่ในที่นี้ท่านมาเน้นเอาไว้ที่มรรคสัตต์คือการเพียรพยายามปฏิบัติให้สมบูรณ์ในอริ ม, กมักในองแปดประการหรือพูด ง, ง่ายๆว่าใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาโดยหลักโดยหน้าที่ของเขาแล้ว เป็นการเรียงตามลำดับของโลกโลดลงขอใท่านสาธุชนลองตรวจสอบดูจิตของท่านเองดูว่าอกิเลสประเภทความโลภเนี่ยมันจะครองใจคนมากกว่ากิเลสประเภทอื่นคืออาการที่เด่นชัดถ้าอาการที่เป็นเงาทะมึนนั้นที่จริงแล้วเป็นโมหะไม่ใช่โลภเพราะการที่เราเกิดโลภเพราะเรา ม, มีโมหะ แการที่เราเกิดโทสะเรามีโมหะแต่การที่ปรากฏแก่จิตจริงๆที่เห็นได้ชัดสัมผัสได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงนอนหลับไปในแต่ละวันความโลภนี่จะมีมากกว่ากิเลสประเภทอื่นพูดถึงจิตตกไปในฝ่ายของกิเลสกิเลสประเภทโลภนี่จะมามากกว่าหรือบางครั้งแม้แต่ตกไปในฝ่ายกุศล เราจะพบว่าการทําบุญประเภทวัตกรรมีกุศลเนี่ยที่จริงมันก็มีโลภะอยู่ต้องการได้พบได้ชาติปฎิปรินิตต้องการเกิดสวรรค์ต้องการมีวิมานอะไรที่จริงมันก็เป็นโลภะแต่เป็นโลภะที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยระดับของกาม m a ปจรกุศลนั้นยังไงยังไงมันก็ต้องมีโลภะจัดได้ก็กิเลสประเภทนี้เป็นกิเลสประเภทสร้าง เราสังเกตว่าถ้าไม่มีโลภะการเกิดสิ่งนั้นตามัมนเกิดขึ้นไม่ได้แต่เพราะมีโลภะทําให้คนคิดค้นสร้างสิ่งเหล่านั้นต้องการมีสิ่งนั้นต้องการได้อย่างนั้นต้องการเป็นอย่างนั้นจึงคิดสร้างขึ้นธรรมะปฏิบัติในชั้นโลกิยะจึงไม่สอนให้ดับโลภะเพียงแต่สอนให้คุมโลภะย้าโลภะนั้นมากเกินไปจนเป็นพิษเป็นภยัยแต่นั้นเอง แลเพราะโลภะแคโลนนี่เองจึงสร้างปัญหาเกิดขึ้นในสังคมเป็ น, น, นมากพวกอาชญากรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์อาชญากรรมเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศอาชญากรรมเกี่ยวกับการหลอกลวงการใส่ร้ายกันอาชญากรรมที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษเป็นต้นมันเป็นอาการที่เด่นชัดของโลภะที่ชัดเจนมาก บางอย่างโมหะแกชัดเช่นวาการดื่มการสูบการเสพสิ่งเสพติดนั้นเป็นอการโมหะที่ออกแกชัดแต่ว่าการดื่มนั้นก็เป็นโลภะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงศีลเพื่อกแก้กิเลสประเภทนี้ประเภทที่เป็นหยาบหยาบแต่ว่าเน้นไปที่โลภะเป็นหลักเพราะสิ่งที่เป็นอาจฉกรรมเป็นเรื่องของโลภะเป็นเป็นส่วนมากไม่ใช่ทั้งหมด ในส่วนสมาธินั้นต้องการที่จะสงบถ้าพูดถึงเกาะกลุ่มของกิเลสจริงๆแล้วเน้นไปที่โทสะตอนลองสังเกตว่าไอ้ความกระทบกระทั่งทางใจที่เกิดขึ้นไม่พอใจอยากจะพูดอยากจะว่าอยากจะดา่าอยากจะประทุษร้ายอะไรแต่ไหนเนี่ยมันออกเยอะเหมือนกันในแต่ละวันบางทีไม่มีอะไรก็นอนงุนหงิดอยู่ด้วยตัวเองก็เป็นอาการของโทสะ พระพุทธเจ้าก็ส่บัญญัติศีลบัญญัติสมาธิเพื่อสงบโทสะแต่ข้อนี้อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าศีลสมาธิปัญญานั้นที่จริงแยกเด็ดขาดไม่ได้เหมือนกับโลภะโทสะโมหะนั้นแยกเด็ดขาดไม่ได้เป็นการแยกให้ดูลักษณะเด่นแต่นั่นเองเพราะในความเป็นโลภะนั่นเองเพื่อสังเกตว่าถ้าเราได้ตามที่เราอยากได้โลภะมันก็เพิ่ม แล้วก็เพิ่มกันได้เรื่อยๆถ้าเราอยากาถ้าเราได้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อได้มากๆให้ลองสังเกตว่าอาการของโทสะนั้นจะเกิดคือหวงมีความบาดระแวงคนอื่นไม่ต้องการในคนอื่นพบเห็นสิ่งที่เราหวงสิ่งที่เร า, เาครอบครองไม่เจ้าของนั่นแสดองว่าอาการโทรสะเกิดขึ้นมาตึงหินงหนิดๆภายในใจแล้วถ้าใครไปยื้อแย่งใครไปจับต้องเราเกิดโทสะทันทีเพราะโทสะมันก็แฝงอยู่ในโลภะ ตัวคล้ายๆกับความตายแฝงอยู่กับความแก่มันแฝงงั้น จ, จะปรากฏตัวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพระเหตุปัจจัยให้แกก็ออกตัวมาทันทีโทสะมันก็เหมือนกันแกออก็แฝงอยู่ที่โลภะพอเกิดผิดหวังจะออกมาเป็นโทสะได้ทันทีเพราะนั้นแยกเด็ดขาดจึงแยกไม่ได้เวลาเราพูดถึงการลดกิเลสกิเลสข้อไหนลดมันก็ลดนะลดด้วย ก, กัน อย่างในที่นี้ทรงแสดงใช้ับว่าวิราคะแปล ว, ว่าจิตที่ปราศจากความกำหนัดที่จริงแล้วมันเน้นที่โลภะจะลองสังเกตว่าถ้าจิตคลายกำหนัดได้อาเหตุที่ให้เป็นที่ตั้งของความขัดเคืองมันก็ไม่มีคล้ายๆกับเราไม่ตั้งความหวังอะไรเอาไว้เนี่ยความผิดหวังมันไม่มีในความสมหวังมันก็ไม่มี พันจึงไม่มีทั้งความยินดีและความยินร้ายแต่ว่าการที่ใจเรามีทั้งยินดียินร้ายนั้นเพราะเราไปตั้งความหวังและเราสมหวังมันก็เกิดยินดีเพราะผิดหวังเราก็เกิดยินได้แต่ถ้าเราไม่หวังได้มามันก็อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้มันก็อย่างนั้นอย่างนั้นเพราะเราไม่ตั้งความหวังอะไรไปดังนั้นเรื่องของกิเลสก็เหมือนการเมื่อวัตถุเป็นที่ตั้งของราคะมันจางไป ไอ้ที่ตั้งก็โทสะมันก็ไม่มีก็ตั้งจางตามไปด้วยโมหะเองแกก็จางตามไปพวศีลสมาธิปัญญาเขาก็มีลักษณะอย่างนงั้นเราพูดเป็นภาพรวมๆก็ว่าศีลแก้โลภะสมาธิแก้โทสะปัญญาแก้โมหะนั้นเรียวกว่าพูดรวมๆแต่จริงๆ จ, จะแยกเด็ดขาดไม่ได้เพราะในความเป็นศีลก็ต้องมีสมาธิมีปัญญาอยู่ระดับหนึ่ง ในความเป็นสมาธิก็ต้องมีศีลมีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งมีศีลมีสมามีศีลมีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งแต่ในความมีปัญญานั้นจะต้องมีศีลสมาธิเป็นฐานยิง่งศีลสมาธิเป็นฐานสูงเท่าไรปัญญาจะแหลมคมมากขึ้นด้านั้นเมื่อปัญญาระดับตัดอวิชชาได้ศีลจึงต้องสมบูรณ์สมาธิจึงต้องสมบูรณ์และปัญญาจึงต้องสมบูรณ์ ถ้าไม่งั้นจะไม่มีกําลังมากพอในการที่จะตัดอวิชชาออกไปและโดยผลของการกระทาให้สมบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะสมบูรณ์ระดับไหนระดับศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณมันก็เริ่มตัดอะไรได้ไดแล้วคือตัดกิเลสอย่างน้อยก็ขาด3ประการคือสังโยชน์3ประการอย่างที่พระโสดาบันตัดและการหลุดพ้นในเด็ดขาดในแนวนี้จะไม่มีการกำเริบอีกต่อไป ซึ่งผลจะต้องเกิดขึ้นโดยการอาศัยปฏิบัติตามหลักของอริมัสมีองค์แปดประการดังกล่าวต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ทั้งใจท้องความสงบสืบต่อไป